ไพรโคนเซคอนอย่าไปคิดเห็นบุคคลอื่นว่าเขาเลวกลายเห็นคนอื่นเลวนี่ก็ ก, กลายเป็นการสร้างความเลวให้เกิดกระจายของเราอัจนาโจทย์ญตานังองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้กล่าวโทษโจทย์ตัวเองว่ามันเลวไว้เสมอหาจุดความเลวของกายหาจุดความเลวของใจ อย่าไปหาจุดของความดีถ้าพบความเดีวจุดไหนทำลายความเดีวจุดนั้นให้หมดไปแล้วความดีมันก็ปรากฏเองมื้อได้จิตใจถ้าเรามีความระมัดระวังอยู่อย่างนี้แล้ว่าเชื่อองค์สมเด็จปัญญสีว่าร่างกายแหวนนิจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังเป็นทุกอนัตตามันสลายตัวและที่จใจจิตใจไม่ฝกพันในร่างกาย ก็มีศีลบริสุทธิ์มีจิตใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ญาณิโยงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกว่าประสูดาบันนี่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรายะกคำว่าประสูดาบันก็มีสภาวะพิงชบ้านชั้นดีเท่านั้นความเป็นประโสูดาบันมีความดีแค่าตาตุม่มถ้าเราทําไม่ได้มันก็เลวเต็มที วางว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่รับสระดับปานนี้คงจะเข้าใจดีว่าความเป็นเบอร์โซดาบันเป็นธรรมะเล็กน้อยเป็นผู้ก็ถึงกะงระแสพระสัทมาเทชนาเขาองค์สมเด็จตัณสมาสมเทจ้าคือเข้าถึงถึงกระแสพระนิพพานแต่ยังไกลยอยู่เท่านั้นเพราะว่าเบอร์โซดาบันในยัติว่าใกลายพระนิพพานเกินไปก็ยังไม่ได้ อาจะรมจิตขอ ง, รง เ, รเราเบาบางเกินไปจิตใจยังไม่แนบเนียนแน่นนักก็ยังเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติเราก็ได้อรหัตผลแต่จิตใจของมันดาดันพุทธโมหะพุทธะชนิกรชนมีความมั่นปลายกลางแล้วก็เกิดอีสาชาติเป็นอรหัตผล เมื่อจิตใจของมรรดาท่านพุทธศาสนิกชนมีความมั่นคงแอัศริษแล้วก็เกิดเป็นมนุษย์อีชาติเดียวไปอาณาจักรปเข้าถึงไม่ไดานนี่เป็นอนุว่าขอมรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่มีกําลังใจยังหย่อนอยู่ยังเข้าไม่ถึงปะธรรมขององค์สมเด็จพระบรมครูคือปะโซดาบันก็จงตั้งใจกําหนดจิตพวกเหล่านั้นทรงความเป็นปะโซดาบันให้ได้ ถ้าเราไม่สามารถจะส่งความเป็นมโสดามันได้ก็ชื่อว่าเกิดมาเสียชาติเกิดที่พบพระพุทธศาสนาไม่สามารถจะทรงความดีขั้นเล็กน้อยที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมมาสมุทธเจ้าประธานไม่ได้ก็ไม่น่าเสียนายความดีพวกเราอาดัรงดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่จะพูดเวลานี้ก็พูดนายเกินไป ต่อจานี้ไปขบรนดาท่านพุทธบริษัทท่างหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเป็นลายใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเป็นลายใจออกรู้อยู่ให้ใจออกแล้วใช้ขบันดาคู่ๆกันไปให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโต พอใจสบายแล้วท่านหลายจะพิจารณาเขากรรมฐานากงางองใดกองหนึ่งเขาไให้เป็นไปได้ให้เป็นก็ได้ให้เป็นไปตามวิธีอันาาแน่ถ้าการจับภาพพรุทธรูปให้เห็นภาพพระพุทธรูปก็ดีนึกถึงภาพพระพุทธรูปก็ตามการรู้ลมหายใจเขาออกก็ตามการภาวนาก็ตามถ้าหยุดอยู่เพียงแค่นี้เป็นแค่ระงับดีวอนชั่วคราว ยังไม่ใช่การตักกิเลสเพราะยถือว่าเป็นสมถะภาวนาให้ถามว่าการนึกถึงพระพานอบรมณ์งสงดในพุทธศาสนาก็ถูกแต่การนึกถึงแต่ราไม่ก้าวเข้าไปหา n ิพ v า n a ให้เร็วเข้าการใช้อารมณ์เป็นสมถะภาวนาเป็นปกติถ้า ใ, ใช่ไปใช่ไปจนทั้งจิตชิงชางสมาบัติปัญญาก็เริ่มเกิด เมื่อปัญญาเริ่มเกิดก็กกอาจจะใช้อารมณ์มิปัสนายายเข้ามาด้วยแต่ก็ยังเป็นทางอ้อมไม่ตรงนิพพานถ้าถามว่าจะไปถึงไหมก็ต้องตอบว่าไปถึงแต่ช้าถ้าเราต้องการจะให้เร็วกว่านั้นเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าคนที่จะไปนิพพานได้ก็ต้องตัดราคะความรักหรือว่าโลภ ค, ความโลภ โทสะความโกรธโมหะความหลงที้เราเวลาจิตไปสมาธิหันไปตัดโลภความโลภโทสะความโกรธ โ, โมหะความหลงอย่างนี้ถ้าเราตัดไม่เป็นก็ยังช้าอยู่มากถ้าจะให้เร็วทำใจเข้าถึงนิพพานจริงๆเข้าถึงมากเข้าถึงน้อยมีขั้นมีตอน การเยกเข้าถึงนิพพานจริงๆก็มีแปดอันดับหนึ่งพระโสดาปฏิมักสองพระโสดาบดิผลแล้วก็สามพระสิทาคามีมักสี่พระสิทาคามีผลห้าอนาคามีมักหกอนาคามีผลเจดรหัตมักแปดระหัตผล ดังนั้นการปฏิบัติจริงๆต้องเข้าหาสัญญาตเพื่อเดินตามอันดับตั้งแต่ประโสดาปริมักขึ้นไปจน้องไปถึงน ถ, ถึงอาราตผลวิธีปฏิบัติขั้นต้นก็เหมือนกันคืออันดับแรกรู้ลมให้ใจเข้าออกลมให้ใจเข้าออกที่ทิ้งไม่ได้ทุกกองกรรมฐานถือว่าเป็นครูใหญ่เป็นกรรมฐานใหญ่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 แต่การภาวนาแบบไหนก็ทำใจตามใจเราชอบที่มันไม่เหนื่อยทำในลักษณะที่มีความสุขไม่มีความทุกข์ร่างกายไม่เหนื่อยหลังจากนั้นอย่างที่เป็นการควบคุมอารมณ์ให้ทรงไปสมาธิเพราะการที่จิตในสมาธิตั้งมั่นเป็นเบื้องแรกของการเจริญกรรมฐานทุกกอง เป็นการระ ง, งับดีวอนหประการไปชั่วคราวเพราะว่าในขณะใดที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้คําโหนาเห็นภาพพระพุทธรูปภาพยังทรงอยู่เวลานั้นดีวอนระ ง, งับการสังเกตภาพสังเกตภาพพุทธรูปอยูดีแต่ว่าถ้าภาพพุทธรูปเรือนหายไปแสดงว่าดีวอนกำเริบเราก็ลืมตาดูภาพพุทธรูปใหม่ตั้งใจจําใหม่นึกถึงใหม่ต่อไป และนี้เมื่อจิตของเราเข้าไปสมาธิบ้างตามสมควรก็ไม่ได้เกณฑ์ให้ฌานสมาบัติพอมีอารมณ์เริ่มเป็นสุขก็ต้องหันไปจับอารมณ์ของพระโสดาบันเข้ามาใช้การใช้อารมณ์โสดาบันขั้นแรกในเมื่อเรายังไม่เป็นพระโสดาปฏิผลท่านเรียกพระโสดาปฏิมา เพื่อจะหมายความกําลังเดินเข้าไปหาวระโสดาบตริผลหรือว่าเป็นทางเข้าถึงความเป็นพระโสดาบตรีผลอารมณ์ของพระโสดาเป็นพระโสดาเป็นยังไงอารมณ์มโสดาก็คือหนึ่งสกายทิฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอันดับแรกใช้ปัญญาไม่สูง ก็มีความรู้สึกว่าร่างกายกับเราที่มันต้องแยกกันคือในเมื่อถึงที่สุดอายุของมันมันก็ตายมันก็ตายเราจิตใจของเราเน้อที่สมารถกายของเราก็ไปสู่พบสู่ชาติต่อไปตามกําลังระบุญก็บา่ก็ามาสรุปแล้วดับแรกก็มีความรู้สึกว่าเราต้องตายถําเม่อเราต้องตายมารวมเกินไปว่าร่างกายนี้ต้องตาย แต่ว่าเราคือจิตระทิสมาลีกายจะแยกไปตายกำลังของบุญดับบาปมาตอนที่สองอารมณ์ของวัโสดาบันตัดความสงสัยในองค์สมเด็จรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้สิ้นไปใช้กําลังปัญญาพิจารณาความดีของพระเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ เมื่อปัญญายเห็นชัดว่าท่าดีจริงๆก็มีความยอมรับนับถือด้วยความจริงใจนีอารมณ์ไม่เสื่อมคลายในการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยฎสูตรได้ต่อไปก็ตัดศีลัปตะปรามาสคือว่าการรักษาศีลไม่แน่นอนรักษาบ้างไม่รักษาบ้างดีบ้างขาดบ้างมุกคร่องกันบ้างม้าง อย่างนี้ตาอารมณ์นี้ให้สิ้นไปรักษาสินให้ไม่คงถาวรด้วยความจริงใจของจิตไม่เคยมีรงรงคิดจะละเมิดสินถ้าวระโสดาบันสิกขาคามีก็แค่สินห้านี่ยสำหรับพระวัดนะตอนนี้จะหันว่าเราปฏิบัติอย่างนี้ได้ครบถ้วนก็ที่หนึ่งไม่ประมาทในชีวิต ไม่เคยคิดว่าแก่กว่านี้จริงจะตายหรือถ้าเยาวหนุ่มในสาวก็ไม่เคยคิดว่าวัยกลางคนหรือวัยแก่เราจะตายถ้าเป็นวัยกลางคนก็คิดว่าเรายังไม่แก่เรายังไม่ตายเราต้องแก่จะตายไม่ได้ไม่คิดอย่างนั้นมีความรู้สึกว่าความตายอาจจะถึงเราได้ในวันนี้เสมอถ้าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเค่องหมายไม่อาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ ก่อนจะตายจะตายเวลาไหนก็ช่างจิตใจของเรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไปที่พึ่งแน่นอนและก็มีอารมณ์คือมีทรงสินบริสุทธ์แน่นอนคือพระสินห้าถ้าโสดาบันนี่มีสามขั้นเอกวิชีโกลังโกละสัตตาสตุประมะถ้าทรงสินห้าได้เป็นประโสดาบันขั้นอ่อนที่เรียกว่าสัตตาสตุประมะ นี่หมายความมันยังไม่ถึงนิพพานเขามัศวดาบันนี่แปลว่าผู้เข้าถึงกระแสนิพพานไม่รงนรกแล้วย่อมต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกจิตชาติเป็นเทวดาหรือพรหมอีกจิตชาติสลับกันก็มีเก่งท่า น, นผ่านได้ฉะนั้นท่านจะทรงได้แค่สินห้าจิตใจไม่ละเอียดนะักจะสังเกต ด, ดูดีว่าสินห้าเนี่ยบังคับวาจาแค่ไม่ผุดผล ยังพูดคำหยาบยังพูดส่อเสียดนินทาชาวบ้านยังพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลแต่ว่าถ้าถึงวสุวดาบารานะทุกอย่างก็อ่อนตัวลงกําลังต่างๆที่ไม่ดีที่เป็นอุปสรความจริงมีกําลังบาปไม่ถึงนรกก็ไม่ละเมิดสิ่งห้าแต่ก็ทําให้เกิดความหม่นหวาในใจของคนนี้มีกําลังอ่อนตัวลงกล่าวพูดยากทายากเรื่องความชั่ว ต่อไปถ้าเ็นจะเป็นพระโสดาบันขั้นกลางคือสัตตาขัดตรงกําลังใจจะดีขึ้นนั่นคือทรงกำหนดสิบแต่ว่าพระเถรพระโสดาภักดังขั้นสูงสุดจะมีกำหนดสิบเป็นพื้นฐานแนบสนิทโดยไม่ต้องระมัดระวังเรื่องกำหดสิบจะทรงตัวจริงๆอย่างนี้เรียกเอกบิชีพระโสดาบันขั้นเอกบิชีก็ว่าสกิทาคารมีมี มี่กําลังคล้ายคลึงกันมากสําหรับพระสิกขาธรรมีก็ตัตยยดสโยดเดชามนันกันแต่ว่าบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงลงมากความอยากรวยยังมีอยู่แต่ก็ต้มเตรียมเต็มทีอารมณ์คิดมีน้อยความโกรธความไม่พอใจมีอยู่แต่ก็มีกําลังเพียมากความหลงในรูปสวยเสียงเพรกกลิ่นหอมรดรอยสัมผัสระหว่างเพศยังมีอยู่ แต่ก็มีสภาพเหมือนคนสิ้นแรงมีเหมือนกันแต่กำลังตกมากกระมวลความว่าปโสดาบัยสกิธาเขามีปฏิบัติเหมือนกันแต้จิตละเอียดขึ้นไปอันนี้ก็ขออนุาทา่านผู้บริษัท์ที่เจริญอุปสมานุติกรรมฐานสังเกตดูว่าเรานึกถึงพระนิพพานจริงแหละแต่ว่าเราทำตนเพื่อเข้าสู่ทางพระนิพพานหรือเปล่า นี่หาะว่าเราตั้งใจนึกถึงปฏิพัณ์แนอารมณ์นึกภาวนาวิพานรสุขขังบ้างนิพานนางบ้างอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเราเองยังไม่สามารถทรงอารมณ์ความเป็นปโสดาบันได้ก็ยังถือว่าผู้ยังไม่เราเข้าเขตทางที่ไปสู่ปฏิพัน์ยังไกลมากต้องหาทานตัดสันยาณให้ได้สัญญสาม นี่ต่อไปถ้าเราต้องการเป็นพร ะ, ะพระอนาคามีก็ดูอนาคาเมมัต ก, ก่อนเมื่อกี้ถ้ายังปฏิบัติอยู่ยังไม่ถึงว่าโสดาปฏิผลก็ถือว่าโสดาปฏิบัติทีพระอนาคามีมัตทรงอารมณ์อะไรได้อารมณ์แรกคือหนึ่งส ก, กายดิฐิที่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ถึงของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ซึ่งเประ์ลงบนพระโสดาริทธาคารมียังทรงตัวแนบสนิทไม่เคลื่อนไหวในการในสองการยอมรั บ, บร ต, รตั้ถือพระรัตนตรัยเนี่ยหนอนมากทรงตัวในการในสามทรงสินบริสุทธิ์แต่ว่าพระโสดาบัญญัติสิทธาคารมีก็มีศยงสินห้ากันบ้างมีคำวสิบกันบ้างพอเริ่มเข้าอนาคามีมั้งคือว่าผลเนี่ย เราจ ะ, ระบังคับให้มันเป็นตามกําลังใจเราไม่ได้ต้องเป็นกําลังใจตามกําลังของผลจริงๆนั่นคือว่าการปฏิบัติบัณฑงอารมณ์เป็นพระสกิทาคามีผลอารมณ์บรรเทาความโลภความโกรธความหลงความรักก็บรรเทาและนี้การบรรเทาไหมบรรเทาจนชินบรรเทาไปบรรเทาไ ป, าไปจิตใจละเอียดลงละเอียดลงในที่สุดอารมณ์ก็เริ่มตัด มีความรู้สึกว่าลงของความรักไม่เป็นเรื่องตามที่พระเจ้ากล่าวว่าปิยโตชาเยเตโสโกปิยโตชาเยเตพยังความเศร้าโศกเสียใจมาจากความรักภัยอันตรายมาจากความรักก็คิดว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เพราะเรารักเราก็มีความกระมลวลมีความของแหน ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเจาริญที่เราต้องการเราก็มีทุกยิ่งเข้ามาหาทางตัดความรักออกจากใจความรักที่มีความล้มไก่ก็คือความรักทางร่างกายทางรูปไอ้ที่ตัดก็ตัดรูปตัวเดียวถ้าเราไม่รักรูปทุอย่างทุกอย่างมันก็ไม่รักคนก็มีรูปสัตว์ก็มีรูปต เน ว, วัตถุทั้งหลายต่างๆเคื่อประดับประดานต่า ง, งก็มีรยู่วัที่สุดเรารักรูปของอย่างเดียวกันแต่รูปสวยน้อยกว่ากันเราไม่ต้องการเราต้องการรูปที่สวยมากก็โรงความว่าการตัดจริงๆคือตัดรูปตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดกับท่านเมธียะว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปทัาจากับพายะนะแต่กับภายะว่าเธอจงอย่าสนใจในรูป เพียงแค่พระพุทธเจ้าตรัสคำเดียวท่านภายะฟังแล้วบรรลุอรหัตผลท่อมเป็นสิริทายาทตอนนี้วิธีตัดในรูปทำยังไงเรามีกําลังบา ร, รมี อ, อกก่อนกับท่านพายะจะฟังอย่างท่านสักดีพยัยครั้งก็อาจจะไม่มีผลสําหรับเราก็ต้องหาหันหาเข้าไป ห, หากรรมฐานคือสมถะภาว น, นาอันนี้กําลังก็อนาคามีนี่ต้องทําถึงฌานสี จำลังสูงมากคือยึดกายยตดตาสติกาสุปรกรรมฐานตาวิกรรมบาล น, นี้เข้ามาตั้งเป็นพื้นฐานเป็นอารมณ์โดยการยึดอันนั้กายกายึดตาสติกาสุปรกรรมฐานนี่เอามาพร้อมกันให้เห็นว่าทุกส่วนของร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีของสายตาตามแม้แต่วัตถุธาตุาต่างๆก็ตามมันเต็มเรี่ยความสุขโปรภโสโคร ร่างกายของคนมีการปฏิบัติมีการบำ ร, รุงเรอได้ปลนเปลอได้แต่ถี่ว่าถึงไงก็ตายตา ม, มันก็ไม่พ้นความสมบูรณ์วัตถุธาตุจะป้องกันระวังรังสายยังไงก็ตามมันก็ไม่พ้นความสมบูรณ์มองเห็นความสมบูรณ์ของร่างกายให้ชัดมองร่างกายคนอื่นจะ เ, เห็นชัดน้อยกว่าร่างกายของเราเห็นว่าในส่วนใดบ้างในร่างกายที่เต็มด้วยความสะอาดไม่มีเลย ต่อไปวิจารณาไปแล้วเกิดนิพิทาย่างความเบื่อหน่ายเห็นทุกอย่างสุกับตกเหมือนกับสุนัขเน่าบ้างเหมือนกับงูเน่าบ้างเกิดความรังเกียจในร่างกายของเราถ้าเกิดความรังเกียจร่างกายของเรามันก็รังเกียจร่างกายาคนอื่นตอนที่สุดเห็นคนก็เหมือนก็เห็นคนเนา่าเห็นสัตว์ก็เหมือนเห็นสัตว์เนา่าเห็นวัตถุต่างๆเราเห็นเป็นของสุกับตกหมด อารมณ์นิพิทายานคือความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นก็ตัดอารมณ์รักขึ้นที่วารูปทุกอย่างอารมณ์ใจเราไม่ติดทั้งนี้ก็ต้องบวกกับกรรมฐานด้วยนะกับพิปัตินายานด้วยว่ารูปร่างของคนก็ดีเขาใส่ของก็ดีวัตถุ ก, ก็ตามนอกจากมันจะเน่ามันจะเฟแล้วมันจะสกรกแล้ว ก็ไม่มีการทรงตัวมีความเกิดขึ้นในเบือ้องต้นมีความเสือ่อมไปในธรามกลางมีการสลายตัวในสุดในเบื้วิปัสสน า, อ ย, าอย่างอ่อนแล้วมองไปทีตามบุปกอริยศัจว่ามันเต็มไปด้วยความทุกข์มันไม่มีการทรงตัวมันทรงกระบกยังไม่พอมันทําให้เราเกิดทุกทุกอย่างกิจการงานทุกอย่างที่เราต้องทําก็าะทำเพร่อรูปตัวเดียว ต้องหากินพ่อรูปต้องหาของใช้พ่อรูปต้องสร้างบ้านเรือนพ่อรูปต้องหาหมอใช้ค่า ย, า, ย า, รารักษาโรคพะโรูปทั้งหมดมันมาทุกจากรรูปหมดในที่สุดอารมณ์ใจเ้วก็ตัดรูปทิ้งไปเด็ขาดด้วยกาลังเขาเริ่เรื่มพัฒน า, ายานคือริยนศัตรย์หลังจากนั้นพระนาคามีนี่เป็นพระนาคามีมักนะ ซึ่งไม่ว่าตัดรูปไปไจิตเฉยๆไปเบกขาในรูปก็ยังเป็นเปรียนาคามีมรรคอยู่ยังไม่ไดผลต่อไปถ้อนาคามีผลก็ต้องทข้าไปตัดโทสะความโกรธจะเรียกว่าปฏิฆะอารมณ์ที่ไม่พอใจไม่ถึงขั้นโกรธแม่ไม่พอใจนิดหน่อยก็ตัดนั่นก็คือต้องใช้สมถภาวนาคือภวมวิหารสี่จิตให้มันทรงอารมณ์อยู่หนึ่งเมตตาความรัก จิตมีเมตตาเป็นปกติอารมณ์ร้ายไม่มีมันอาจจะมีแทรกเข้มามตัดมันทั น, นอนาถครมักก็ยังมีอยู่แล้วต่อไปก็จิตมีความสงสารหวังเกื้อกูลให้มีความสุขแทนที่เปศัต ร, รูแล้วจิตจะจิตใส่ความอิจฉาริยาเห็นใครได้ดีพอยินดีด้วยจิตวางเฉยได้เมื่ อ, อกดกุงกมขึ้นมาปรากฏขึ้นกับเราหรือกับคนอืน่น แต่เมื่อชนใช้พรัิหาสีที่ครบถ้วนก็ต้องใช้กําลังพุทธศาสนายอย่างคือว่าอาเรียสัจช่วยเพราะไอ้ววความเกรีดความไม่พอใจนะั้นมันเป็นปัจจัยของความทุกข์มันเปนการสร้างศัตรูมไม่ได้มีประโยชน์ถ้าเขาไปศัตรูกับเราเราไปศัตรูเขาถ้าเราวิฆาเฉงฆ่าเขาได้เขาตาย และเราจะเป็นคนไม่ตายเลยณที่สุดเราก็ต้องเป็นคนตายเบื้องหน้าเหมือนกันมันก็ไม่มีประโยชน์การฆ่าเขาเขาฆ่าเขามีบาปและสร้างศัตรูหนักในในในโลกนี้ถ้าเราไม่ฆ่าเขาเราไม่มบาปณที่สุดถ้าเราเป็นมิกันจะมีความสุขมากกว่าในที่สุดเห็นว่าความโกรธไม่ดีตส่ความโกรธเึ้นได้อารมณ์ทรงตัวใช่อารมณ์เบกขาเข้าขวางหน้า ทุกสิ่งทุกอย่างมามันเฉยก่อนแล้วก็ต่อต้านเพื่อการเมตตาความรักกระดาความสงสารในที่สุดกําลังใจก็เยือกย็นสามารถตัดสัญญาณได้ห้ารายการเมื่อตัดสัญญาณได้ห้ารายการอย่างนี้เป็นพระอนาคามีอย่างนี้เรียกอุปสมานุติกรรมฐานคือไม่ใช่เปนนึกถึงนิพพานอย่างเดียวต้องหาทางก้าวเข้าไปด้วยแล้วก็ต่อไป ในเมื่อถึงอนาคามีแล้วความจริงเขาขอ ง, ง่ายแล้วจะต้องการเบริหารอันนี้ไม่ยากการปฏิบัติตั้งแต่บาลโสดาบาลศิธาคามีอนาคามีนิ่หนักเพราะต้องใช้สมถะภาวนาช่วยอย่างแรงอย่าว่าโสดาบาลศิธาคามีนี่ความจริงไม่หนักแต่ว่าเมื่อใหม่ๆมันไม่เคยมาก่อนก็นหนักพอจะเข้าถึงอนาคามีนี่หนักมากต้องมีรมชงชงชาญสี ตอนนี้หากว่าจะเข้าถึงอรหันต์เป็นของไม่ยากใช้ปัญญาล้วนเพราะว่าสมาธิที่ทรงตัวมากแล้วคือว่าใช้ปัญญานิดหนึ่งว่ารูปปัจชายก็ดีรูปปัจชายก็ดีตัติโยทีห้าขอเล่าไปรับไปเลยเวลาจะหมดไม่ใช่ของเลิศดระเสมากเกินไปเป็นแค่เป็นกำลังใหญ่เพื่อต่อสู้กิเลสช่วยเวียนนาญาณเท่านั้น เรายังมีรูปประชานและรูปประชานแลไม่หลงอยู่แค่นั้นใช้วิทนายานต่อไปถ้าต่อบมาเห็นมานะการถือตัวทัน้นก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์มัสร้างอารมณ์ช่วยใก่เราต่อมาอารมณ์ฟุ้งสร้างนาขานคิดน่นคิดนี่อยากจะไ เ, เกิดที่นั่นอยากเกิดที่นี่ก็ไม่มีประโยชน์เราต้องการปณิพันธ์ต่อไปเข้าตัดอวิชชาตัวสุดท้ายใช้ปัญญาพิจณาตามความเป็นจริง ว่าร่างว่ามนุษย์จโลกก็ดีพมโลกก็ดีเทวโลกก็ดีไม่เป็นแดนดินแดนที่น่าร <c oughs> ักเพราะเป็นดินแดนที่ทรงตัวไม่นานมนุษย์โลกนี้มีทรงตัวไม่นานด้วยทุกข์มากด้วยเทวโลกกับพมโลกไม่มีทุกแต่ทรงตัวไม่นานก็เคลื่อน <c oughs> เราต้องการจุดเดียวือนี้นผ่าน <c oughs> ต่อไปในตอนนี้อารมณ์สังขารุเปฆายานยั ง, ยงเกิดขึ้น คือเจอทุกสิ่งทุกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งกรมราคะความรักระหว่างเพศไม่มีอารมณ์ในใจสองโลภะ ค, ความโลภไม่มีอารมณ์ในใจสามโทกัสโทสะความโกรธไม่มีอารมณ์ในใจแล้วก็สี่โมหะความหลงไม่มีนารมณ์ในใจจิตวางเฉยมีความเฉยที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาธรรมดาของชาวโลกเป็นธรรมดาของผู้มีกิเลส ในเมื่อคนเกิดมาตกภายใต้หนา้ากฎหมต้องเป็นอย่างนี้ไม่กันระบรรดาญาโยมบริษัทนี่ให้ศึกษาเพื่พอทราบต่อไปก็เป็นลีนลาการเจริญมโนมยิทธิมโนมยิทธิแปลว่าบีริททางใจเพื่อวิธีปฏิบัติต้องได้ทิพฐ์กุยาญก่อนเมื่อได้ทิพย์กุยานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้หมด วิธีปฏิบัติขั้นต้นคือบรรดาญาโยมทุกคนให้รู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้ไว้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเวลาให้ใจเข้าภาวนาตามวันะมะเวลาให้ใจออกภาวนึกภาวนาตามพระทะเวลาที่ให้ใจจริงๆเค้าบรรดาญาโยมทุกคนอย่าบังคับร่างกาย ร่างกายจะให้ใจแรงให้ใจเบาปล่อยไปตามเรื่องเอาจิตเข้าไปรับทราบเมื่อขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นถือว่ามีสมาธินนนาปานุสติถ้ารู้คำภาวนาด้วยถือว่ามีสมาธินในคำภาวนาหลังจากนั้นถ้าครูก็าเร่ทำอย่างนี้ประมาณสิบนาทีต่อจากนั้นไปก็จะมีคนเขาไปนั่งกลางวงหรือนั่งทางนา เึงทราบว่าคนที่ก็ไปนั่งในเขาจะเข้าไปแนะนําเวลานั้นญาติโยมที่ปฏิบัติใหม่ทุกคนเลิกภาวนาเราะว่าถ้ามีคนเข้าไปนั่งขนาทุกคนให้เลิกภาวนาทันทีแล้วก็เลิกรู้ลงไม่ใจเข้าใจออกปล่อยใจตามสบายแต่ก็ไม่ใช่ปล่อยใจไปที่อื่ตั้งใจฟังเสียงคนพูดแนะนําผู้แนะนําเขาจะแนะนําในการตักกีเลย ขณะที่ฟังเสียงเขาอยู่ตั้งใจฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยก็ดีเมื่ออารมณ์อามคล้อยไปตามเขาเวลานั้นจิตก็จะว่างใจกิเลสเมื่อจิตว่างจะกิเลสจิตก็เริ่มสะอาดจากกิเลสเมื่อจิตว่างจิตสะอาดความเป็นทิพก็เริ่มเกิดสำหรับคาว่าทิพยานีขอบอกบรรดาญาโยพุษษษทธวิสัชราก่อนว่าไม่ใช่ลูกตาทิพย์ไม่ใช่ตาเห็น อารมณ์ใจทิพท่าตาทิพเขาเรียกทิพเนตรทิพเนตรเนี่ยต้องเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นชมที่ยังมีอยังพวกเราได้มีพวกเราได้มีแต่ทิพกุญญาณคําว่าทิพจากุญญาณแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคลายศาทิพคือใจทิพเมื่อครูก็เห็นว่าความเป็นทิพเริ่มเกิดเขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่ข้างหน้าบ้างให้ถือความรู้สึกครั้งแรกเป็นใหญ่ เพราะความรู้สึกเรื่งแรกนี่เป็นที่แน่แล้วก็ไม่จะไม่ผิดจากความเป็นจริงที่เขาถามก็ถามเรื่องเทวดานางฟ้าหรือผมที่ท่านมาสงเคราะห์เขาถามว่ามีผู้ใดประโยชขงหน้า บ, บ้างมีความรู้สึกตามนั้นไหมถ้ามีความรู้สึกก็นีให้ตอบทันทีอย่ายั่งตัวไม่ต้องโกหกผิดมันจะไม่ผิดถ้าถามว่าคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกเขาถามว่าแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความความรู้สึกของตัวเอง ตอนนี้หากว่าครูก็เห็นว่าตอบถูกมีกําลังใจดีพอสมควรเขาก็จะแนะนําให้ไปพระจุลาม牟尼เจดีย์สถานคือบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกเป็นที่ธรรมจักรงศรเทวดาลับลมที่ตรงนั้นญาติโยมจะพบพระพุทธเจ้าพระราหารันเทวดาลับลมแล้วต่อไปที่พาบาริบายยาพานธ์อริยมรราบรรนาญาติโยมพระธิษัสทุกท่านต่อนนี้ไปเขาทุกคนทันหน้าไปทางพระรูป ตั้งใจสมาทานศีล ส, ส ม, าา ม, ามาทานวิกรรมฐานวันนี้เวลาเลยพี่นุช